หรืออาริยบุคคล7สัมพันธ์กับอินซีและวิโมดังจะเห็นได้ต่อไปนี้อย่างไรก็ดีตามปกติทักคิานาย7นั้นท่านแสดงตามลำดับจากขั้นสูงลงมาต่ำแต่ในที่นี้เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์จำแนกประเภททักคินยะบุคคลหรืออาริยบุคคลแบบที่หนึ่งจึงจะแสดงจากขั้นต่ำขึ้นไปหาขั้นสูงดังนี้ พกอพระเศขาหรือสะอุปาทิเสสบุคคล 1. สศัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาหรือผู้แล่นตามไปด้วยศรัทธาได้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุโสดาปฏิผลที่มีสัทธินีแรงกล้าอบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเป็นตัวนำท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นศัทธาวิมุตติส ธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรมหรือผู้แล่นตามไปด้วยธรรมได้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิผลที่มีปัญญีสีแรงกล้าอบรมอริยมรดโดยมีปัญญาเป็นตัวนำท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิ ป, ปะตะ 3. ศรัทธาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา ได้แก่ผู้ที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้วเห็นธรรมที่พระตถาคตรประกาศโดยแจ่มชัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาแต่มีศรัทธาเป็นตัวนำหน้าหมายถึงผู้บรรลุโสดาปติผลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรุอรหัตผลที่มีสัถินี่แรงกล้าท่านผู้นี้ ถ้าบรรลุอรหัตผลกลายเป็นปัญญาวิมุตต์ 4. ทิฏฐิปัตตะผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิได้แก่ผู้ที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้วเห็นธรรมที่พระตถาคตประกาศโดยแจ่มชัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหมายถึงผู้บรรลุโสดาปิตผลแล้วขึ้นไป จนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรุอรหัตผลที่มีปัญญีสีแรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรุอรหัตผลกลายเป็นปัญญาวิมุติ 5. กายสักขีผู้เป็นพยานด้วยนามกายหรือผู้ประจักษ์กับตัวได้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญา หมายถึงผู้บรรลุโสดาปติผลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอาราตผลที่มีสมาธิสีแรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอาราตผลกลายเป็นอุปโตภาคาวิมุตติข้อขอพระอเสขาหรืออนุปาทิเสสาบุคคลนับต่อจากพระเสขะหรือสาปาทิเสสาบุคคลเป็นลำดับที่หปัญญาวิมุตติ ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาได้แก่ท่านผู้มิได้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายแต่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหมายถึงพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเป็นตัวนํามาโดยตลอดจนสำเร็จอุปโตภาควิมุตตผู้หลุดพด้นทั้งสองส่วนได้แก่ท่านผู้ได้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายและอาสวะทั้งหลายก็สิ้นไปแล้วเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญา หมายถึงพระอาหารหันต์ผู้บำเพ็ญสมถะมาเป็นอย่างมากก่อนแล้วจึงใช้สมถะนั้นเป็นฐานบำเพ็ญวิปัสสนาต่อจนสำเร็จเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นจะแสดงทักกินัยหรรืออิะบุคคลเจนั้นโดยสัมพันธ์กับอินทรีย์ที่แรงกล้าและการสัมผัสวิโมกพร้อมทั้งเทียบกับทักกินยะบุคคลในชุดแรกไ้ด้วยดังแผนภูมิที่เจทัสหมายเหตุ กรุณาดูแผนภูมิที่7จดทัสมประกอบด้วยถ้าแสดงให้เห็นลำดับต่อเนื่องกันก็จะได้ดังในแผนภูมิที่เจทัหมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่7ทัประกอบด้วยเรื่องทักคิอไนยบุคคลหรืออริยบุคคลที่แสดงในตารางหรือแผนผังมีข้อที่พึงทราบเป็นจุดสังเกตดังนี้จุดสังเกตข้อที่หนึ่ง พึงเข้าใจว่าไม่ว่าผู้ใดจะมีอินทรีย์ใดแรงกล้าแต่ในเวลาตรัสรู้ปัญญาย่อมทำหน้าที่เป็นใหญ่ดังบาลีในปฏิสัมพิธามักแสดงไว้ว่าปฏิเวทกาเลปัญญทริยังอาธิปัตต ย, ยังโหติจุดสังเกตข้อที่สองกายสักขีแปลอย่างง่ายว่าผู้สัมผัสฌานก่อนเป็นปฐม จึงบรรลุนิพพานภายหลังพึงทราบด้วยว่าเฉพาะกายสักขีขั้นที่เป็นอนาคามีเท่านั้นจึงสามารถได้วิโมคที่8ดจุดสังเกตข้อที่สอัท ธ, ธกถาและดีกาอธิบายว่าอุปโตภาควิมุตติหลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองคือหลุดพ้นจากรูปกายด้วยอรูปสมาบัติและหลุดพ้นจากนามากายด้วยอริยมัต เป็นการดุดพ้นสองวาระคือด้วยวิขำพนะข่ ม, ะมกิเลสไว้ด้วยกำลังสมาธิของฌาน ห, หนึ่งและด้วยสมุดเชดิตัดกิเลสถอนรากเหง้าเด็ดขาดด้วยปัญญาอีก ห, หนึ่งพระอุปโตภาควิมุต t นี้ถ้าได้วิ ช, ชาสาคือวิ ช, ชาสองและอาสวะกยายานเรียกว่าเป็นเตวิชาชถ้าได้อภิญญาหก คืออภิญญาห้าและอาสวัคยายานเรียกว่าเป็นฉะพิญญะถ้าได้ปฏิสัมพิทาสีเรียกว่าปฏิสัมพิทัพปัตตะจุดสังเกตข้อที่สพระปัญญาวิมุตต์มุ่งหน้าบำเพ็ญแต่วิปัสนาอาศัยสมถะเพียงใช้สมาธิเท่าที่จำเป็นพอเป็นบาตรฐานของวิปัสนาเท่านั้น จึงไม่ประสบผลได้พิเศษของสมระเกินกว่าขั้นรูปฌานเช่นไม่ได้อรูปฌานเข้านโรธสมาบัติไม่ได้ไม่ได้โลกิยะวิชาสองคือระลึกชาติไม่ได้และไม่มียานเห็นจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้โลกิยาอภิญญาห้าคือแสดงฤทธิ์ไม่ได้ไม่มีทิพโสตคือหูทิพไม่มีเจโตปริยญาณคืออ่านใจผู้อื่นไม่ได้ ระลึกชาติไม่ได้และไม่มีทิประจักขุคือไม่มีตาทิปแต่ว่าตามหลักย่อมเป็นปฏิสัมพิทัปปะได้คือเป็นผู้วัรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสีได้ความที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปสาระสำคัญโดยแสดงเป็นแผนภูมิไว้ในที่นี้ดังต่อไปนี้ก็ก่อแผนภูมิที่7จทับหสรุปตามบาลีโดยอาศัยอัตถกถาดีกา เพียงเพื่อเชื่อมความหมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่75ประกอบด้วยแผนภูมิที่7จัหสรุปตามบาลีอัตถกถาและดีกาหมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่7จหประกอบด้วย